50 languages. 33. Te. T. ที่สถานีรถไฟ Station Te. รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Berlin เลยอัลลีเทรนคืออ hai? รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Paris ไ like ล่อัลลี่เทรน์คดอเหรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ London ไ like ล่อัลล t ่เท n น์คดรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Warsaw ไล่อ g ลลี่เทรน์คดอเห รถไฟไปสตอกโฮมออกกี่โมงคะสตอกโฮมเลยอัลลี่เทรนรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะบูดาเปสต์เลยอัลลี่เทรนกี่โดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะเมนูมาดริดดาอีกตั๋วหนึ่งที ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะเมนูปราศดาอีกตัึงที่ดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะเมนูเบอรด์ดาอีกตั๋วรถไฟถึงเวียนาาย น, ยนานเมื่อไรคะเรนเวียนนากี่เนวเจพ้นดี รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ rain นมอสโกกี่เนวัจยดีเหรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะเทรนอัมสเตอร์ดมกี่เนวัจย์ดีฮหดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะที่เมนูเทรน์บัดเลนดีโหลดเหรถไฟออกที่ชานชลาไหนคะ รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะที่รดิฉันต้องการตัวไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะเมนอีกตั๋วดี ह ่ดิฉันต้องการตัวกลับโคเปนเฮเกนค่ะ เมนูโค प ป ह นเฮงด้าอีกวัปซีย ात ् र ต ट ि क เ च ต ह िดाาैหที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะสลิปเปอร์วิชอีกบัตรดาคิดนาค่าใชากดา